อำนาจของป่าไม่เคยมีอิทธิพลยิ่งใหญ่อยู่เหนือจอมพรานอย่างเขาแต่บางขณะมันก็สำแดงดทธิเดดคุกคามผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลของเขาจนญาตที่จะสกัดกั้นป้องกันไว้ได้ทันสิ่งที่น่าวิตกสําหรับทุกคนต่อมาก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นอาการของเชื้าสุดหนักลงอีกด้วยความระบมของบาดแผลและพิษไขยแทรกดารินปลุกปั้มอยู่กับคนเจ็บอันเป็นพิชัยของรอนด้วยความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์ทั้งหมด รวมทั้งเวชจักระกน์ทั้งสิ้นที่นําติดตัวมาด้วยอย่างพรักพร้อมพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าร่อนชํานาญแคล่วคล่องกับการแกะรอยสัตว์หรือจับปืนมากนักการเคลื่อนย้ายขบวนได้กระทําขึ้นในขณะที่เชิดามไม่รู้สึกตัวร่างของคนเจ็บถูกนําขึ้นนอยบนเกวียนเร่มหนึ่งซึ่งเคลื่อนไปอย่างระมัดระวังประครับประคองดาลินนั่งคุมอยู่บนเกวียนเร่มนั้นคอยดูแลพี่ชายอยู่ทุกระยะขบวนทั้งหมดออกเดินทางจากที่เดิม บ่ายหน้าตัดป่าราบโปร่งสลับไปด้วยภูเขาเล็กๆขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทางที่ผ่านไปเต็มไปด้วยรอยเท้าช้างนับไม่ถ้วนย่ําอยู่กราดเกลื่อนทั่วไปหมดแทบจะทุกตารางนิ้วของพื้นที่แถบนั้นรอยต้นไม้หักโคนตามตีนเนินแะโคนต้นไม้ใหญ่มีรอยโรงงานของพวกมันไว้กระจุยกระจายไม่มีร่องรอยของการหากินของพวกมันอย่างใดทั้งสิ้นนอกจากรอยของการแผลงฤทธิ์สําแดงเดชของพวกมัน รวมทั้งตอนที่แตกตื่นตกใจเสียงระเบิดวิ่งกระเจิงเปิดหนีไปอย่างไม่เป็นขบวนป่าทั้งป่าเงียบเชี่ยบาจะาวิวแววสัตว์ใดทั้งสิ้นแม้แต่ น, นกเล็กๆสักตัวเพราะผลของสงครามใหญ่ระหว่างมนุษย์กับกองทัพคดจัดสารเมื่อคืนวานที่ผ่านมาชายยันเดินเคียงคู่กับพระผินำขบวนไปเบื้องหน้าสารวจรอยเหล่านั้นไปทุกระยะสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลพึมพำออกมาเบาๆ เท่าที่เห็นรอยเต็มทุ่งอยู่นี่คะแนนว่าคงไม่ต่ำกว่าสองร้อยสามร้อยตัวขึ้นไปทีเดียวยังไม่นับพวกที่แตกกระเจิงไปทางด้านอื่นๆ อ, อ, อีกหน้ามหัศจรรย์เหลือเกินไอหัวโจกแหว่งนั่นไปชักชวนช้างป่าเหล่านี้มาร่วมกับมันได้อย่างไรเท่าแล้วเท่ารอดผมก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่นั่นเองทั้งที่มองเห็นประจักษ์พยานชัดอยู่ตามตาผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับแต่เท่าที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นการบอกชัดอยู่แล้วว่า ไอ้แหวงจะต้องมีอำนาจอิทธิพลอยู่เหนือช้างทั้งหลายในป่านี้ทั้งหมดเป็นจอมวงการจั ก, กรพรรดิของพวกมันทีเดียวแหละมันเป็นอำนาจที่ผิดวิสัยธรรมชาติของช้างป่าซึ่งผมก็ไม่เคยพบมาก่อนนี่ไม่ใช่การล่าช้างเสรแล้วแต่เป็นการทำสงครามกับช้างที่สมน้ําสมเนื้อทีเดียวผมชักไม่แน่ใจเส็จแล้วว่าระหว่างพวกเรากับพวกมันใครจะอยู่ใครจะไปการประทะครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา ทำให้ผมรู้สึกว่าเราประมาณการได้แหว่งผิดไปเสียแล้วมันไม่ใช่สัตว์ร้ายที่ตกอยู่ในฐานะถูกตามล่าหากเป็นแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามที่มีกำลังและแผนการพร้อมมิหนำซ้ำยังมีเจตนามุ่งมั่นที่จะเอาชนะเราให้ได้พลานใหญ่ยิ้มเครียดแต่ถึงอย่างไรผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่ามันเป็นเพียงแค่สัตว์ทีราานเท่านั้นนี่แปลว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราจะต้องไปเชิญกับกองทัพช้างเป็นร้อยๆเช่นนี้แล้วหรือในการตามล่าไอ้แหว่งชายันเอ่ยถามอย่างหนักใจภายหลังเดินยิบเยไปอีกครู่ใหญ่รัพินก็ตอบว่าผมคิดว่าพวกมันที่ยกเข้าโจมตีเราทั้งหมดเมื่อคืนวานจะมีสักกี่ร้อยตัวก็ตามป่านนี้ก็คงจะกระจัดกระจายแยกโขลงกันออกหมดแล้วโขลงใครก็โขลงมันไอแ้แหวงก็จะต้องแยกไปกั บ, บริวานชุดเดิมของมัน คงยากที่จะมาชุมนุมพลรวมกันเป็นกองทัพได้อีกในระยะนี้อะไรที่ทำให้คุณมั่นใจอย่างนั้นวินาทีสุดท้ายของการประจันบานระหว่างเรากับมันเมื่อคืนวานนี้ครับทำให้ผมมั่นใจเช่นนี้เสียงระเบิดและอำนาจระเบิดทำให้พวกมันแตกกระจายหัวซุกหัวซุนป่าราบไปนั่นก็เท่ากับเป็นการแยกกำลังส่วนใหญ่ของมันให้แตกออกไปแล้วประเดี๋ยวเราถึงที่ตั้งแคมป์จัดการวางแคมป์ถาวรเรียบร้อย ผมจะออกสำรวจอีกครั้งแล้วจะรู้ได้ว่าพวกมันรวมกลุ่มกันอยู่เป็นร้อยๆตามเดิมหรือต่างโขงต่างแยกไปถ้ามันแยกโขงได้อย่างคุณว่าก็เป็นการสะดวกสําหรับเรามากแต่ถ้ามันยังรวมกลุ่มกันอยู่เป็นจำนวนมากเราจะลำบากดีไม่ดีต้องยิงช้างอีๆไปทีละตัวจนหมดป่ากว่าจะเข้าถึงตัวไอ้แหวงได้เราจะหมดกาลังหมดอุปกรณ์สนับสนุนกันเสียก่อนชยยันว่า ก่อนที่ยังเล็กน้อยก็มาถึงยอดเนินเตี้ยๆลูกหนึ่งภูมิประเทศสลับซับซ้อนไปด้วยแก่งโขดหินหน้หนทางเข้าออกอันแคบจำกัดเหมาะอย่างยิ่งสําหรับจะใช้เป็นประการถาวอรเพื่อตั้งรับการโจมตีของช้างโขงได้อย่างปลอดภัยก็บินสั่งให้ปลดเกวียนตรงสัมภระลงในทันทีนั้นภายหลังจากวางแคมป์เรียบร้อยในลักษณะที่มั่นถาวอรพรานใหญ่ก็เข้ามาในกระโจมพักของนายจ้างเชี่ายยังคงรับสนิทด้วยยาระงับประสาท ดาดินกับชายยันนั่งหาเรืออะไรกันเบาๆอยู่ที่โต๊ะสนามคุณชายเป็นยังไงบ้างครับแพทย์สาวฝืนยิ้มชำเรืองไปทางเตียงคนเจ็บถอนใจเบาๆอยู่ในระหว่างกำลังอักเสบทีเดียวแต่เชื่อว่าพรุ่งนี้และวันต่อๆไปก็คงจะดีขึ้นเป็นลำดับหากไม่มีอาการอื่นแทรกพลานใหญ่มองไปยังเชิฐาด้วยความเป็นห่วงสายศีษะเศร้าๆโชคดีเหลือเกินที่มีคุณหญิงมาด้วย และมีอยู่ยาเวชภัณฑ์มาครบถึงอย่างไรผมก็อุ่นใจแล้วที่มีนายแพทย์มือดีเป็นผู้คอยดูแลอยู่ใกล้ชิดเช่นนี้ขอบคุณมากสำหรับความรู้สึกที่ดีของคุณที่มีต่อพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้แววตาคุณนั้นบอกให้ทราบชัดว่ากล่าวออกมาจากใจจริงตั้งแต่เชษฐาได้รับบาดเจ็บสาหาัสดาลินเครียดขืมและซึมผิดไปหลอนเฝ้าอยู่ใกล้ชิดวิชายแทบจะเรียกได้ว่าตลอดเวลา ชายันเองก็เช่นกันอดีตนายทหารปืนใหญ่ไม่มีอารมณ์ขันหรืออยู่อีกนอกจากความจริงจังเอางานเอาการเชษดฐาล้มลงเสียแล้วเช่นนี้เขาก็ตกอยู่ในฐานะที่จะต้องตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างแทนผมจะออกไปตรวจร่องรอยพร้อมกับเกิดและบุญคำสามคนจะกลับในราวค่ำเขาบอกเรียบๆผมไปกับคุณด้วยชยันว่าหันเข้าคว้าปืน แต่ผมคิดว่าคุณชายยันพักผ่อนที่แคมป์นี่ก่อนดีกว่าครับพรานใหญ่ท้วงกลึงแนะนําอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นเพื่อนคุณหญิงในภาวะเช่นนี้เธออาจต้องการเพื่อนออกไปกับผมก็ไม่มีอะไรนอกจากเดินหนักกันทั้งวันออมแรงไว้ดีกว่าถึงอย่างไรเสียวันนี้ก็เป็นเพียงแค่สำรวจดูราดราก่อนเท่านั้นผมจะกลับมาส่งข่าวชายยันถือปืนยืนย่างเลอยู่พอดีสบตาดาลินที่มองมาอย่างขอร้อง ก็วางปืนลงตามเดิมพยักหน้ากับพระพินเอาละผมอยู่ที่นี่ก็ได้ดีเหมือนกันอยากจะดูอาการของเชี่าโดยใกล้ชิดด้วยหนักหนาฉุกเฉินยังไรจะได้เป็นลูกมือคอยช่วยน้อยแหมให้ตายสิพวกเราอยู่ในระหว่างห่วงหน้าผวงหลังยังไงบอกไม่ถูกถ้าเชี่ยถาไม่เจ็บหนักเสียคนเดียวเราจะสบายกันกว่านี้มากต่อให้ไอ้แหว่งมีกําลังพลที่จะเตรียมรบกับเราสักหมื่นว่าแต่ที่มันของเราในคราวนี้ปลอดภัยแน่หรือ ถ้ามันบุกเข้าโจมตีเราแบบอีกคืนนั้นอีกแล้วก็แย่ทีเดียวเชี่ยฐานนอนแซ่ลอยู่อย่างนี้ผมรับรองครับช้างตัวไหนก็ตามที่บุกขึ้นมาอย่างที่ตั้งแคมป์ของเรานี่ได้ก็แปลว่ามันจะต้องตายเนินชันขึ้นมาและจะเข้ามาเป็นเป้ากระสุนแบบเรียงเดี่ยวทีละตัวจากประตูด่านด้านเดียวเท่านั้นไม่มีการยกพลบุกเข้ามาพร้อมๆกันได้มากๆในซอกเขานี้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับช้าง ผมคำนึงถึงข้อนี้มากที่สุดจึงได้เคลื่อนย้ายมาตั้งมั่นที่นี่มันจะเป็นแหล่งที่เรายึดภักระยะยาวนานจนกว่าจะกำจัดไอแหว่งได้สำเร็จหรือจนกว่าคุณชายจะหายเป็นปกติเรียบร้อยสุดแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะมาถึงก่อนปัญหาสำคัญที่สุดมันอยู่ที่เรื่องน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีคนเจ็บด้วยเช่นนี้ดาดินเปยมองมาที่เขา ด, ด้วยดวงตารยๆใบหน้างามดึงนั้นมองเศร้า แต่ยังแฝงแหววเข้มแข็งองอาจอยู่เช่นเดิมวันนี้หล่อนอยู่ในชุดเสื้อตรวจการเบาบางสีขาวสะอาดและกางเกงบานกึ่งกระโปรงสีเดียวกันแลดูงามสง่าเยือกเย็นเหมาะสำหรับการทำหน้าที่แพทย์หรือพยาบาลผิดแผกไปกว่าทุกวันไม่มีเข็มขัดปืนสัน้นคาดติดเอวเหมือนเคยหากจะมีหูฟังของหมอคล้องติดอยู่ที่คอผมยาวสยายเคยเคลียไหลา ย, ยามนี้กล้าเป็นมวยรุ่งไว เมื่อพบเห็นกันครั้งแรกที่สถานีกักสัตว์ของนายอัมพลราชาสกุลสาวผู้นี้มีผิวสีชมพูยองใหญ่แต่บัดนี้กลิ่นอายของความตากตามสมบุกสมบันย้อมผิวสีชมพูนั้นให้เข้มขลังลงป็นหนึ่งสีน้ำผึ้งงามขมซึ้งไปอีกลักษณะหนึ่งสตรีผู้นี้ไม่มีความงามอะไรเลยสำหรับเขาหยามเมื่อร่อนนั่งปรุงโฉมอยู่หน้ากระจกแล้วปิ้นคิดในชั่วแวบแต่งามประทับตาตึงใจที่สุด ยามเมื่อประทานไรเฟิลเล็งเข้าใส่เป้าหมายชายยานเอ่ยถามเตือนเรื่องน้ํามาอีกคนเขาจึงตื่นจากผวางตอบว่าเรื่องน้ําไม่ต้องห่วงหรอกครับใต้เนินนี้ลงไปทางด้านหลังมีแอ่งน้ําผู้เล็กๆอยู่แอ่งหนึ่งมีน้ําซึมอยู่ตลอดทั้งปีผมใชใ้พวกนั้นไปตักขึ้นมาสํารองไว้แล้วค่อยๆขอดขึ้นมาทีละถังหลายๆเที่ยวเข้าก็ได้หลายปีพอยคุณหญิงใช้ได้อย่างสบายแม้จะไม่เหลือเฟือนัก ใส่ยาฆ่าเชื้อต้มให้เดือดเสร็นหน่อยก็สะอาดพอสำหรับคนเจ็ดว่าแล้วก็ถอยผงะจากกระโจมไปแต่แล้วก็ชะงักเพราะเสียงเรียกมาเบ า, บาเมื่อหันกลับมาอีกครั้งเห็นหมอมรชวงหญิงคนสวยจ้องมาด้วยอาการกางังวลอย่ากลับไม้ค่ำนักนะฉันกับชายยานจะรออาหารค่ำพ่านใหญ่ยกมือขึ้นแตะปีกหมวกไม่ขิดใจหลังจากนั้นเขาเกิดแะบุญคาก็เดินดุมดุมออกจากบริเวณแคมป์ หายรับลงไปในเงาบทบังของหมู่โขดหินแล้วพินกลับมาเมื่อเวลาทุ่มเศษขณะเชื่อทากำลังตื่นรู้สึกตัวด้วยอาการซึมอ่อนเพลียดารินและชายยานรอคอยเขาอยู่แล้วที่โต๊ะอาหารซึ่งเตรียมไว้พร้อมน้อยกับชายยานบอกผมว่าคุณออกไปสำรวจรอยคนเจ็บพูดแผ่วๆยิ้มอิดโรยจับแขนเขาไว้ขณะที่พรานใหญ่ตรงเข้าไปนั่งข้างๆได้ความว่ายังไงบ้าง มันแยกโขลงกันออกหมดแล้วครับไม่ได้รวมกันอยู่เป็นร้อยๆเหมือนเดิมเขาตอบพร้อมกับยิ้มอ่อนโยนไอแหว่งกับลูกโขลงเดิมของมันประมาณ2ี่กว่าตัวบ่ายหน้าย้อนกลับไปทางเขานางที่พวกเราผ่านมาแล้วพวกมันพิการไปหลายตัวโดยเฉพาะไอแหว่งขาหลังด้านซ้ายรู้สึกว่าจะหักสังเกตได้จากรอยดวงตางอันรีโรยด้ยพิษปาดแผลของเชาืาเป็นประกายขึ้นด้วยความหวังคุณแน่ใจหรือทพินแน่ใจครับ ถ้างา น, นความหวังของเราก็ใกล้เข้ามาแล้วสิชายยันร้องออกมาอย่างยินดีส่งแก้วแบรนดีมาให้เขาคุณคิดยังไงที่ไอแหว่งใบหน้าย้อนไปทางเขานางจอมพลานยกมือขึ้นรูปคางคลื้นไปด้วยคราวเหมือนจะตึกตองแล้วยกแก้วบรนดีขึ้นจิตผมอยากจะเชื่อว่ามันพยายามจะข้ามเขาเข้าไปหลบอยู่ในหุบเขาหมาหอนโดยอาศัยผ่านเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่ผมเองก็ยังไม่สามารถจะค้นได้ ตามที่เคยเรียนมาแล้วเวลามันไม่อำเนยให้ผมตามดอยมันไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นยังไม่ทราบแน่ว่ามันจะแยกไปทางอื่นหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตคร่าวๆตามเส้นทางเดิมของมันทําให้คิดว่ามุ่งไปทางเขานางถ้าไม่เป็นห่วงทางนี้ตามต่อไปก็คงจะได้รู้ชัดแต่หมายความว่าคืนนี้ผมไม่ได้กลับแน่ดีแล้วที่คุณปฏิบัติตามสัญญากลับมาตามเวลาที่บอกไว้เสียงพูดเบาๆมาจากดารินวราฤิธ ผู้เดินอ้อมเข้ามายืนอยู่อีกฟางหนึ่งของเตียงคนเจ็ดใช้ฝ่ามืออังซออคอของพี่ชายตรวจอุณหภูมิแล้วจับที่ประจรปากของผู้ต่อเพียงแต่รู้แน่ว่าพวกมันส่วนใหญ่แย่ย้ายกันออกไปหมดแล้วต่างโขงต่างไปก็เป็นข่าวดีสำหรับเราแล้วแผนการต่อไปก็หาดือกันใหม่ถ้าคุณไม่กลับคืนนี้เราเดาอะไรไม่ถูกเลยร้อนใจแย่เรื่องการนัดแนะในป่าถ้าไม่จาเป็นจริงๆแล้ว ควรจะรักษากำหนดเวลานัดให้เตียงตรงที่สุดไม่งั้นฝ่ายรอเป็นห่วงแย่ผมก็คิดในข้อนี้ถึงได้รีบกลับมาทั้งทั้งที่บุญาำชวนให้ตามต่อแล้วก็หันไปจับเบาๆที่ปลายเท้าของเชษฐาถามด้วยน้ำเสียงนุ่มว่าคุณชายรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับราชสกุลหนุ่มหัวเราะขณะฝืนยิ้มตอบ พ, พึมพำขอน้จาจักชัยยันรับไปดื่มแล้วผ่อนลมหายใจยาว น้องสาวประคองหลังขึ้นเอาหมอนรองเพื่อให้ทรงตัวนั่งถนัดอย่ากังวลไปเลยรพินผมคงไม่เป็นอะไรมากนักหรอกวันนี้แผลมันได้ระยะอักเสบระบมมากหน่อยแต่น้อยก็ฉีดมอฟีนให้ผมพอซึมซึมไปได้เชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นนั่นคือท่าแท้ของเชืฐทาผู้แกล่งและทอรหดบึกบืนเกินกว่าผิวนธุนชาติสกุลซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นได้ในสายตาผาดผาดเบื้องนอก สมแล้วที่เขาอาฐานที่จะบุกป่าฝ่าดงไปยังขนทางมหาวิบากธุระกันดานเบื้องหน้าเพื่อติดตามค้นหาน้องชายผู้สาบสูญเมื่อกี้นี้คุณพูดถึงว่าไอ้แหวงบ่ายหน้าไปทางเขานางอาจหลบเข้าไปในหุบหมาหอนคนเจ็บพยายามจะเข้าร่วมวงหาือ ด, ด้วยจากกำลังใจอันกล้าแข็งเด็ดเดี่ยวของเขา ถึงแม้คุณจะค้นไม่พบทางด่านสัตว์ที่เชื่อมระหว่างป่านอกกับบริเวณหุบหมาหอนมาก่อนก็ตามถ้าเราพยายามติดตามมันไปถ้าฝนไม่ตกลงมาลบปล่อยเสียก่อนรอยของมันจะนําทางเราเองแล้วเราก็รู้ว่าด่านลับนั้นอยู่ที่ไหน mm hmm. ผมก็คิดเช่นนั้นครับป่าบริเวณนี้เป็นป่าบนเขาทั้งนั้นพื้นส่วนมากแห้งสนิทและแข็งยิ่งใกล้เขานางก็ไปยิ่งเต็มไปด้วยหินเราจะค้นหารอยมันได้พบหรือ ชายยานครางความเห็นมาตําๆแล้วพินยังไม่ตอบเพราะกำลังคุ้นคิดอะไรอยู่เชษฐาก็ตอบแทนมาว่าช้างไม่ใช่มดมันผ่านไปทางไหนก็จะต้องปรากฏร่องรอยไว้ให้สายตาพราสังเกตได้เสมออย่างน้อยก็ร่องรอยของการหาอาหารยิ่งในขโขงมีช้างเจ็บพิการอยู่ด้วยก็ยิ่งทำให้เลอกทิ้งร่องรอยมากขึ้นสาคัญใ้ค้นพบรอยเริ่มต้นครั้งแรกก่อนเท่านั้นรอยของมันอาจหายไปในระยะกิโลสองกิโล แต่สักประเดี๋ยก็ต้องปรากฏให้พอสังเกตได้อีกโดยสายตาของผู้ชำนาญสำหรับลบพินนะไม่ต้องห่วงหลอกเรื่องนี้การหลงรอยคงไม่เกิดขึ้นแน่สำคัญรอยของมันจะไปหายเอาตอนบริเวณใกล้ทางลับที่จะนำเข้าสู่หุบหมาหอ น, น่ะสิเราจะอาศัยรอยมันนำทางก็ไม่ได้จะค้นหาด่านลับที่ว่านี่ก็หาไม่เจอแล้วก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่ามันเข้าไปในบริเวณหุบนั้นโดยทางไหน หรือว่าแยกไปทางอื่นเสียแล้วระหว่างที่พี่ชายกับเพื่อนหาหรือโต้แย้งกันอยู่ดาดินนั่งฟังอย่างสงบหล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะออกความเห็นชี้ไรายได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ภายหลังจากดื่มรันดีจนหมดแก้วรพินก็บอกว่าก็ยุ่งเหมือนกันครับถ้าเป็นกรณีอย่างที่คุณชัยยันว่าเตอถึงอย่างไรเราก็ต้องพยายามกันดูผมเองก็ร้อนใจเหลือเกินอยากจะตามมันไปให้รู้ชัดเสียเลยว่ามันเข้าหุหมาหอนแน่หรือ แยกไปทางไหนถ้ามันเข้าหุบหมาหอนก็แปลว่ามันไม่เราก็มีวาลัสุดท้ายรอคอยอยู่ในระยะใกล้ๆนี่แหละแต่ถ้ามันไม่เข้าหุบเปิดเปิงไปทางอื่นเสียก็ทายนิถูกว่าอีกกี่อาทิตย์หรืออีกกี่เดือนเราจะตามมันพบทันใดเสียงห้าวๆของใครคนหนึ่งก็ดังแท้มาจากเบื้องหลังของทุกคนว่าไอ้แหวงจะต้องหลบเข้าไปในหุบหมาหอนแน่นอนครับผู้กอง ทุกคนหันไปมองไปตาเดียวที่มาของเสียงคืองแง่ทรายผู้ยืนอยู่ริมประตูกระจกขณะนี้มองประสานตาครมกรีบของและพีนมาอย่างยากที่จะอ่านความรู้สึกเชี่ยถาพยักหน้าเรียกให้งแง่ทรายเข้าไปใกล้ขอบใจมากงแง่ทรายที่นายเริ่มแสดงความเห็นช่วยเหลือพวกเราบ้างแทนที่จะอมพ น, นามดูเชิงพลาญใหญ่ของเราแต่ถ่ายเดียวหัวหน้าคณะเอ่ยอย่างนิ่มนวลแฝงไปด้วยความรักปานีแต่ก็ส่อความหมายเห็นว่ารู้ทัน เอาละไหนบอกมาสิว่าอะไรทำให้หนายมั่นใจเช่นนั้นผู้กองเองก็คิดอย่างเดียวกันกับผมในขณะนี้เว้นแต่ไม่อยากจะแน่ใจเท่านั้นคนใช้ชาวโด่งผู้พิสูจน์ชัดว่ามีความสำคัญยิ่งแกคณะเดินทางพูดขึ้นช้าช้าไอ้แหว่งถูกเจ็บไปขณะนี้กลายเป็นช้างลำบากลูกโขงของมันอีกหลายตัวก็เจ็บทรมานอยู่ด้วยมันต้องรู้ดีว่าถ้ามันไม่หลบเข้าไปในหุบผู้กองจะต้องตามทัน หุบหาหอนเปรียบเหมือนดังหลบพักซ่อนตัวของมันมีความปลอดภัยกว่าที่จะเตลิดไปทางอื่นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ต้องการจะลัหนีจากเราไปไกลคงหลบซุ่มวนเวียนอยู่ใกล้ๆนี้เองได้โอกาสเหมาะเมื่อไหร่มันก็บุกเข้าได้งานเราอีกทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับด่านลับเชื่อมระหว่างหุบกับป่านอกเท่านั้นถ้าค้นไม่พบด่านลับนั้นเราก็ไม่มีวันตามมันทันแม้ว่าจะรู้ว่ามันเข้าไปหลบอยู่ในหุบ เพราะจะต้องตายน้ำผาลงหุบกว่าจะไปถึงมันก็ย้อนกลับออกมาป่านอกคอยหลบร่อให้เราไล่อยู่อย่างนี้เราจะหมดแรงไปเองพรานใหญ่เม้มริมฝีปากเหลือบมองหน้าคณะนายจ้างบอกตำๆว่าน่าจะเป็นอย่างแง้าสายพูดเสียแล้วหรอครับถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วพรุ่งนี้คุณจัดทีมตามมันได้เลยเชื่อว่าคงจะหาทางด่านที่ว่านี้ได้เองอย่างน้อยดอยตีนของมันจะต้องช่วยให้เราคาได้บ้าง มือดีๆเอาไปให้หมดทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงทิ้งบุญคาไว้กับผมสักคนพร้อมกับลูกหาบก็พอแล้วพานของคุณสามคนแงซายชายยานและน้อยไปกันให้หมดคนเจ็บอันเป็นหัวหน้าคณะวางแผนให้ในทันทีทุกคนอึ้งมองหน้ากันเองโดยคำสั่งจากเขาใครจะไปก็ไปเถอคะ่ะแต่สำหรับน้อยในระยะวันสงวันนี้ยังทิ้งพี่ใหญ่ไปไม่ได้เด็ดขาดอาการของพี่ใหญ่ยังไม่ห่างยังห่างหมอไม่ได้ พี่ชายเอื้อมือมารูปศรีรษะน้องสาวอย่างรักไข่พยักหน้าพี่บอกแล้วว่าพี่น่าไม่เป็นอะไราหลอกแต่เอาเถอะเมื่อน้อยจะอยู่ดูแลพี่ก็เอาให้ใชยันไปกับพวกของระพีนเราต้องจัดการกับมันโดยเร็วที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้รายการนี้ไม่ใช่การล่าสัตว์เพื่อการกีฬาแล้วแต่เป็นการตามล่าอาชญากรที่เป็นสัตว์ร้ายอันตรายร้ายกาลที่สุดสําหรับมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นจะโดยวิธีใดหรือโดยใครก็ตามขออย่างเดียวเท่านั้น ให้มันตายเป็นใช้ได้เขาหันไปทางพรานใหญ่ผมไม่เสียดายหรอกละพินแม้ว่าผมจะไม่มีโอกาสล้มมันด้วยมือเองอย่างที่ตั้งใจไว้และคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงมันไว้เพื่อให้พวกเราคนหนึ่งคนใดล้มมันโดยเฉพาะโดยหวังจะเอาเป็นเกียรติประวัติใดๆทั้งสิน้นท่านใครใครยิงก็แล้วกันจะเป็นคุณแยซายชา ย, ยานหรือพรานคนใดคนหนึ่งของคุณผมก็ยินดีทั้งสิน้นถ้าเอามันอยู่มือได้ ผมจะนอนรอฟังข่าวอยู่และภาวนาเอาใจช่วยทุกคนไอ้แหว่งเป็นหนี้ชีวิตมนุษย์อยู่มากหรือเกินถึงข่าวแล้วที่มันจะต้องชดใช้กรรมบ้างครับผมจะพยายามจนสุดความสามารถถ้าไอ้แหว่งยังอยู่ก็ไม่ควรมีพรานที่ชื่อระพินภัยวันอีกต่อไปจอมพรานรับคำหนักแน่นเอื้อมมือไปบีบมือนายจ้างผู้สูงศักดิ์เบาๆคุณชายโปรดทาใจให้สบายและพักผ่อนรักษาตัวให้ดีเถิดครับอย่าเป็นกังวลไปเลย เรื่องไอแหวงเป็นภาระของผมเองพรุ่งนี้ผมจะเริ่มออกตามมันอีกครั้งดีแล้วน้อยอยู่ดูแลเชื้อาเถอะเขาไม่ควรจะห่างหมอในระยะนี้ชายันว่าหญิงสาวพยักหน้าแล้วหันไปดูตาระิณ น, นิ่งตึกตองอยู่อึดใ จ, จก็ถามว่าจะรอดูอาการของพี่ใหญ่อีกสักสองวันไม่ได้หรือถ้าค่อยยิงชั่วพอจะปล่อยให้อยู่กับบุญคําได้ฉันจะได้ไปด้วยรพรบปิณก้มศรีรษะให้นิดหนึงอย่างสุภาพตอบเป็นงานเป็นการว่า พวกเราตระหนักดีครับว่าการที่ขาดคุณหญิงไปสกคนหนึ่งก็เท่ากับเราขาดปืนที่ยังไปกระบอกหนึ่งแต่หน้าที่สําคัญที่สุดของคุณหญิงในขณะนี้คือการเป็นแพทย์รักษาปิบาลคุณชายซึ่งไม่มีใครสามารถรับหน้าที่นี้แทนได้ส่วนการพิฆาตไอแหว่งพวกเราหลายคนทำกันได้อยู่แล้วเปิดพิจารณาดูตามเหตุผลนี้เถิดครับหลอนอึ้งไปอย่างจานวนและรู้สึกว่าพรานไพใจฉกาดคู่อริของหลอน พูดคัดค้านหล่อนอย่างรื่นหูและมีเหตุผลที่น่ารับฟังเป็นครั้งแรกผิดไปกว่าการโยอันเป็นปกตินิสัยเคยของเขาเรามีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปวิ่งเวลาให้ช้าออกไปหรอกน้อยยิ่งทิ้งเวลาห่างออกไปเท่าไหร่การตามมันก็ยิ่งลําบากหมดหวังขึ้นเพียงนั้นอย่าถ่วงเวลาเขาไว้เพียงแค่ความหมายที่น้อยต้องการจะไปด้วยเลยถ้าน้อยอยากจะไปจริงๆก็ไปพร้อมพวกเราพรุ่งนี้ได้เลย แต่ถ้าเป็นห่วงพี่ก็ไม่ต้องตปเสียเชษถาบอกน้องสาวด้วยเสียงนุ่มนวนลหล่อนยิ้มให้เอามือพี่ชายมันแนบไว้กับแก้มหันไปพูดกับพระพินเป็นอันว่าพวกคุณไปกันเถอะฉันต้องอยู่กับพี่ใหญ่ว่าแต่จะไปกันหมดเลยหรือหกคนเท่านั้นครับผมแงซายคุณชายยานและพรานของผมอีกสามคนบุญคำกับลูกหาบทั้งหมดจะทิ้งไว้ให้คอยรับใช้คุณหญิงที่แคมนี่ บุญคาจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเหมือนกับที่ผมอยู่เหมือนกันถ้าคุณต้องการกําลังคนเพิ่มจะแบ่งผู้ลูกหาไปบ้างก็ได้พรานใหญ่สัส่นศีรษะผมต้องการมือยิงช้างครับไม่ต้องการเอาคนไปให้ช้างเหยียบลูกหาบเหล่านี้มือยังไม่ถึงขั้นที่จะเอาไปเสี่ยงแม้แต่คนเดียวแทนที่จะช่วยอะไรได้กลับยิ่งเพิ่มภาระกังวลเสียเปล่าแล้วเขาก็ร่วมรับประทานอาหารข้ามกับนายจ้างทั้งสอง หลังเวลาอาหารปรึกษาสนทนาอยู่กับชายยนอีกครู่อันเป็นเวลาเดียวกับที่เชษฐาหลับแล้วปินก็ออกไปจัดการสั่งพรานพื้นเมืองของเขาให้เตรียมตัวออกเดินทางพรุ่งนี้นอกจากบุญคำซึ่งกำหนดหน้าที่ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลแคมป์ตามเคยดารินอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จเห็นชายยนเตรียมสัมภา ร, ระส่วนตัวพลางหาวอ ด, วอดก็บอกว่านอนสถอชยยนเมื่อคือนนี้ก็้าเวนพี่ใหญ่แทนฉันแล้วพรุ่งนี้ก็จะบุกอีก คืนนี้ฉันจะดูพี่ใหญ่เองเธอนอนให้สบายดีเหมือนกันอดีตนายทหารปรืนใหญ่อาปาหาวอีกครั้งแล้วหายตัวลงนอนบนตีนงสนามของเขาโดยแรงปลายหัวแม่มือไปทางเชิฐถาผู้นอนหายใจแผ่วอยู่พูดอุอี้ต่อมาว่ายอดชายของเราเป็นยังไงบ้างเจ็บจะแย่อยู่แล้วย่าอุตส่าห์วางแผนได้อีกคืนนี้ดูท่าเขาเป็นยังไงบ้างหญิงสาวยืนกอดอกถอนใจเบา พี่ใหญ่เป็นคนใจแข็งเขาพยายามทําให้พวกเราทุกคนเห็นว่าอาการของเขาแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ความจริงมันตรงกันข้ามก่อนจะหลับไปมิเตกี้ของโมฟินอีกฉันให้แต่ยานอนหลับไปสงสัยตอนดึกจะตื่นขึ้นอีกเฮ้อเขารับเคาะแทนฉันแท้ถ้าไม่ใช่เพราะป้องกันฉันไว้ตัวเองก็คงไม่เจ็บเกือบตายอย่างนี้ก็มีอยู่สองในเท่านั้นระหว่างเธอกับเชษฐาถ้าเขาไม่รับเคาะแทนเธอ ป่านนี้เธอก็อาจถูกก้อนหินที่กริ้งลงมาทับแหลกไปแล้วดูแลเขาให้ดีก็แล้วการระหว่างที่ฉันไม่อยู่จบประโยคชายยันก็ดูเหมือนจะหลับไปในทันทีนั้นส่งเสียงกรนอยู่เบาๆหญิงสาวยิ้มน้อยๆมองดูเพื่อนชายผู้ที่รักใคร่สนิทเป็นหนึ่งพี่ชายร่วมสายโลหิตอย่างอินดูหล่อนเดินไปคลี่ผ้าแบรงเกตคุมตัวให้พี่ชายก่อนแล้วจึงเดินไปห่มผ้าให้ชัยยันพิษดูดวงหน้าอันหลับเหมือนทารกของเพื่อนหนุ่มอยู่อึดใจ จับคางสั่นเบาๆอย่างรักสนิทหล่อนอดปราดใจตนเองไม่ได้ว่าเหตุใดหล่อนจึงไม่รักเขาอย่างคู่สเสนิหาเท่าเท่ากับที่เขาก็ไม่เห็นหล่อนเป็นอะไรเกินเลยไปกว่าน้องสาวคนหนึ่งหาไม่เช่นนั้นก็ควรจะได้แต่งงานกันแล้วชาติก่อนนี้เราคงเป็นพี่น้องกันณนะชัยยานันและชาตินี้ก็เพียงแต่เกิดผิดพ่อแม่กันเท่านั้นฉันอยากจะรักเธอเสียจริง จะได้ไม่เหงาใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้ดารินกระซิปอยู่ในใจถอยห่างออกมาหลี่ตะเกียงที่เสากลางเดินมาลินบรันดีที่โต๊ะสนามดื่มแล้วคว้าบุหรี่กับไรเตอร์ใส่กระเป๋าเสือ้อเดินแวกประตูกระจกออกมาสูดอากาศอันเย็นช่ำเบื้องนอกแง่าสายนั่งสฝ่ไฟต้มน้ำหม้อใหญ่ซึ่งวางอยู่บนหินสามเศร้าอันเป็นคาสั่งของรอนซึ่งให้คอยปฏิบัติเป็นประจำนับตั้งแต่เชษฐาได้รับาดเจ็บ เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดจะได้มีน้ำร้อนใช้ทุกขณะเมื่อเกิดความจำเป็นหญิงสาวเดินทอดน่องตรงเข้าไปหาทางเบื้องหลังพอถึงก็วางมือบนไหลอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นหนุ่มชาวดงพเนจรสะดุ้งเพราะไม่ทันรู้ตัวหันขวับมาเห็นก็รีบขยับตัวจะรุกขึ้นแต่หล่อนกดไหลไว้ยิ้มระไมได้รับคาสั่งจากพรานใหญ่แล้วหรื อ, อยังพรุ่งนี้เธอจะต้องไปกับเขาด้วยผู้กองบอกผมแล้วครับ นอนพักเสียไม่ต้องเฝ้ายามหรือทําอะไรอีกทั้งสิ้นไม่ต้องตื่นขึ้นมายกเว้นกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดหล่อนสั่งเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วกวากมือเรียกบุญคำผู้นั่งมวนบุรีไปตองแห้งคุยอยู่กับพักพวกห่างออกไปทางหนึ่งบุญคำลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาหาโดยเร็วนายหญิงมีอะไรจะใช้บุญคำหรือครับบุญคำรู้แล้วใช่ไหมว่าพรุ่งนี้พรานใหญ่กับพวกเราส่วนหนึ่งจะออกตามไอ้แหวง และมอบให้บุญคามเฝ้าแคมป์กับฉันพรานพืชเมืองอาวุโสยิ้มเห็นเหือกสีครามตอบน้ำน้อบว่าครับนายหญิงพลานใหญ่บอกผมแล้วคืนนี้ช่วยทาหน้าที่แทนแง่สายทีนะนอนเฝ้าหน้ากระโจมและคอยใส่ไฟให้น้ำในหม้อนี่ร้อนไว้เสมอดึกๆึกมีอะไรที่จะให้ช่วยฉันจะปลุกเองได้ครับหล่อนยิ้มหย่พอใจเดินเข้ามาตบแขนพรานเท่าและหันไปพยักหน้ากับอดีตนายทหารกองโจรกระเรียง เอาล้าแง่ทายไปนอนได้แง่ทา ย, ายปฏิบัติตามคำสั่งของหลอนอย่างว่าง่ายลุกขึ้นเดินไปร้มตัวลงนอนอย่างที่ของตนบุญคำก็ซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิตรงที่ของแง่ทายเงยขึ้นมองดูหญิงสาวด้วยสายตาเคารพยำเก่งและเลื่อมใสาถามเบาๆว่าในายใหญ่อาการเป็นยังไงบ้างครับนายหญิงพ้นเขตอันตรายแล้วแต่ต้องนอนรักษากันนานหน่อยหลอนตอบเรื่อยๆ คักบุรีขึ้นมาจุดสูบกว่าสายตาไปรอบๆ บ, บริเวณอันมองเห็นพวกลูกหาบนั่งนอนกันอยู่เป็นกลุ่มๆตามริมกองไฟคุยกันพึมพำหญิงสาวเดินผ่าจากบุญคามทอดเท้าไปเรื่อยๆทักทายกับกลุ่มผานและพวกลูกหาเหล่านั้นไปเป็นลําดับในที่สุดก็มาหยุดยืนอยู่ที่เกวียนเล่มหนึ่งและพินกําลังสารวนอยู่กับการจัดเตรียมของจําเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงทะเลขนาดใหญ่แบ่งออกยัดใส่ลงไปในย่ามหลัง พานใหญ่ไม่ทันรู้ตัวว่าหล่อนเข้ามาใกล้ตั้งแต่เมื่อไหร่พอเงยหน้าขึ้นก็พบน้องสาวของนายจ้าอยืนค้ำอยู่เบื้องหน้าในระยะใกล้กำลังมองดูเขารัดเข็มขัดย่ามหลังอยู่เตรียมของเสียดาวกับว่าจะทิ้งแคมป์นี่ไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ดาลินพูดขึ้นด้วยเสียงเบาลอยลอยเขาเหวี่ยงเป้ที่บรรจุของเรียบร้อยโยนโคลงไปแทนหมอนหนุนศีรษะทางด้านหัวนอนแล้วหันคว้าปืนขึ้ น, นมาถอดลูกเลื่อนดึงออกมาเช็ดทําความสะอาด คุณหญิงก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการตามรอยมันไม่มีกําหนดเวลาที่ตายตัวแน่นอนอาจเพียงชั่วโมงเดียวอาจเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือบางทีก็แรมปีทีเดียวเราต้องพร้อมอยู่ทุกขณะประมาทไม่ได้ดารินทซุด ต, ตัวลงนั่งบนกระสอบข้อสารตรงหน้ามองดูเขาอย่างกังวลถึงอย่างไรคุณก็ไม่ควรจะทิ้งแคมป์ไปนานนะักที่ใหญ่กําลังเจ็บผมได้รับคําสั่งจากคุณชายให้ตามไอ้แหว่งได้โดยอิสระ ไม่จำกัดเวลาและนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องการมานานแล้วเขาตอบโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นจากการทำความสะอาดลูกเลื่อนปืนพี่ใหญ่กำลังไม่สบายมากในขณะเดียวกันก็มีจิตมุ่งมั่นในการที่จะกำจัดไอแหวงลงให้ได้โดยไม่ยอมคำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิน้นคุณไม่ควรจะยึดเอาคำสั่งของเขาเป็นหลักปฏิบัติแบบเถรตรงเกินไปหล่อนเอ่ยแผ่วเบามองดูเขายัางขอร้องอยู่ในที ฉันคิดว่าถ้าภายในสามวันเป็นอย่างช้ายังไม่ได้เรื่องอะไรคุณควรจะกลับมาแคมป์ก่อนถึงแม้ที่นี่จะเป็นชัยภูมิที่ปลอดภัยเพียงพอแต่เมื่อไม่มีคุณไม่มีแง่ทายไม่มีชัยยันเหลือแต่ฉันกับพี่ใหญ่ผู้นอนแซ่อยู่บนเตียงต่อให้บุญคำกับพวกคุกหาดอยู่ด้วยมันก็เหมือนกับว่าฉันถูกทิ้งอยู่คนเดียวรพินเหลือมองดูรอนยางเห็นใจยิ้ม น, นิดหนึ่งเอาล่ะครับ ผมจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดภายในไม่เกินสามวันที่คุณหญิงกำหนดไว้ให้ยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากงามคู่นั้นขอบใจมากแล้วก็ขอฝากนายสรายด้วยนะกำลัง